ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิในเบื้องต้นนี้จะให้ววาดตามจะมาทุกคนทุกคนข้าพระเจ้าและเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง คุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์จมาดนบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาเทพุทธโธธรรมโมสังโคพุทธรรมโมสังโค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 กำหนดใจไว้ที่ใจอย่าให้ใจของเราปุุงซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรูปได้ทรงพิจารณาถึงว่าจิตใจของมนุษย์ในโลกนี้มีแต่กิเลส เรียกว่ากิเลสหนาะปัญญาหยาบเป็นปุถุชนพระองค์จึงมาดำริในใจของพระองค์ว่าเราจะไม่สอนใครแล้วเพราะว่าธรรมะที่เราได้ตัดสรู้นั้นละเอียดอ่อนยิ่งนะักเหตุชน่นไหนมนุษย์ทั้งหลายที่มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบปุถุชนทั้งหลาย จะสามารถเข้าใจในธรรมได้แต่ว่าในการละต่อมาพระองค์ก็มีจิตเป็นพรหมวิหารขึ้นมาในใจพิจารณาว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นอาจจะมีคนดีอยู่แล้วคนไม่ดีก็มีอยู่อุปมาสี่สามข้อสี่ข้อ จึงได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ข้อที่หนึ่งนั่นอุปมาเป็นประดุจจะดอกบัวที่เป็นพักษาแห่งปลาและเตา่าพักษาแห่งปลาและเต่านั้นก็คือผู้ที่มีนิสัยต่ำต่ำยิ่งนักไม่สามารถที่จะมาฟังคำสั่งสอนของเราได้ อาสุตังไม่อยากฟังอาทัศนังก็ไม่อยากเห็นอีกด้วยชนจำพวกนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่เ่าปลาได้กินไปนนแล้วงอกเลยขึ้นมาไม่ได้ยังมีชนอีกจำพวกหนึ่งที่มีจิตใจสูงมีพื้นฐานดีพอสมควรสมควรแก่การที่จะ ได้รับพระธรรมเทศนาท่านเปรียบบุคคลชนิดนี้ว่าเหมือนกันกับดอกบัวที่อยู่กลางน้ำคือพ้นจากอันตรายทั้งพวงแล้วผุดขึ้นมาแล้วจากโคลนดินเหล่านั้นมาอยู่ในกลางน้ำก็เหมือนกับผู้ที่มีพื้นฐานดีพอสมควร มีความตั้งใจอยากจะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและอยากที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยากเห็นอยากไหวยอยากนมัสการคนจําพวกนี้พอที่จะแนะนําสั่งสอนได้ยังมีอีกชนจําพวกหนึ่งที่มีนิสัยวาสนาสูงพอสมควร เรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำบุคคลเหล่านี้มีพื้นฐานมาดีแล้วเมื่อมาได้รับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ย่อมจะสามารถปฏิบัติตนของตนตามความตั้งใจที่ตนจะพึงปฏิบัติซึ่งต่อไปก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ แล้วยังมีอีกบุคคลชนิดสูงสุดคือหมายความว่าเป็นผู้เพียพร้อมแล้วด้วยพื้นฐานอันดียิ่งได้บำเพ็ญความดีมาแล้วในอดีต อ, อย่างมากมายพอมาฟังททคาส่งสอนของพระองค์แล้วก็สามารถได้ตแตสรู้โดยเร็วพลันเหมือนกับว่า ดอกบัวที่พ้นไปแล้วจากน้ำคอยแต่เพียงว่าแสงพระอาทิตย์ถูกต้องก็จะพันบานเมื่อพระพุทธอ ง, องค์มาพิจารณาถึงนิสัยวาสนาของมวลมนุษยชาตทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตั้งปณิธานความแน่วแน่ และตั้งพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งไว้ในประทัยของพระองค์เริ่มสแสดงธรรมเพื่อให้เป็นอิจานุหอิจประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยด้วยประการตั้งปวงดังที่พระองค์ได้ทร ง, สงสรแสดงธรรมไว้จากกับปวัตนสูตรยังปัญจวัคคีทั้งห้าให้สำเร็จนักผลแล้ว แสดงอนัตตลกทันสูตรยังปัญจวัคคีทั้งห้าให้สําเร็จเป็นพระอระหันต์และพระองค์ได้แสดงอนุกุพติคถาระอริรยสสีให้แก่ท่านภัยยศคุณบุตรและสาหายของภัยยศห้าสิบสี่คนให้ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์ ต่อมาพระองค์ได้แสดงอาทิตตะปริยายสูตรให้แก่ท่านชนดินทั้งพันสามได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ต่อมาพระองค์ได้ทรงสแสดงธรรมแก่พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งเศรษฐีหะบดีพ่อข้าประชาชนอีกสิบสองนาหุด ให้ได้สำเร็จมักผลธรรมพิเศษตามฐานานุรูปจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศเผยแพร่พระธรรมทำวัดแรกคือวัด เ, เ ว, วุวนกลันทกะนิวาปสถานในนครราชฤทำสถานที่ให้เป็นที่ที่จะพึงบำเพ็ญพระกรรมฐาน บรรดาผู้คนทั้งหลายก็หลั่งไหลกันไปปฏิบัติฟังธรรมเทศนาโดยที่พระองค์จะแบ่งปันเวลาไว้ดังนี้ปุพเนเหปินทปาตัจากตอนเช้าพระองค์เสเด็จไปโปรดสัตว์คือบินทบาตสายันเหปธรรมเดสนังเมื่อตอนบ่ายพระองค์จะเทศนาให้ อุบ า, บาสิกุบาสิกาทั้งหลายฟังพระโดเสพิกุโววาดังเมื่อพรบคำ่ำพระองค์จะเรียกพระภิกษุทั้งหลายให้มารับโอวาทอัฏฐะรเทเดวปัญหานังในตอนเที่ยงคืนพระองค์จะแก้ปัญหาแก่พวกเทวดาทั้งหลาย ปัจจุเสวะคะเตกาเลพภะพภะพเพวิโลกานังเมื่อคขณจะแจ้งใกล้รุ่งอรุณพระองค์ก็จะพิจารณาว่าสับถึงสับเวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าผู้ใดมีบุญมีวาสนาจะอยู่ใกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามเมื่อรุ่งเช้าแล้วพระองค์จะเสเด็จไปโปรด ให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมลรครพิเศษพุทธศาสนาก็บังเกิดฮิตาโนยิตประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาตินับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผู้คนทั้งหลายเข้าใจในธรรมธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมเพราะว่าในอดีตนั้นมีแต่พวกที่ไม่สามารถจะ แสดงทำให้จ่าแจ้งออกมาว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเพราะความที่ตลอดระยะเวลายังไม่มีพระพุทธเจ้า ต, ะตะรัสรู้ขึ้นมาผู้คนทั้งหลายจึงได้พากันงมเรียกว่าเชื่อไปอย่างที่เรียกว่างมงายตลอดมาเพราะรู้ไม่จริง เมื่อพระพุทธองค์แสดงสัจธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกก็ยังโลกนี้ให้สว่างผู้คนได้มาปฏิบัติตามสัจธรรมของพระองค์แล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษทันตาเห็นเมื่อพระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีนั้น ประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วได้แปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็นปิดกปิดกสามปิดกนับตั้งแต่พระวินัยปิดกมีสอง0มืหนึ่งสองมื่นสองพันพระธรรมขันธ์มีพระสุตตันตะปิดกสอง0มื่นสองพันพระธรรมขันธ์มีพระอภิธรรมปีดก สี่หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระธ ร, นนธรรมขันธ์นั่นธรรมขันธ์หนึ่งนั่นก็คือสี่บาทเป็นคาถาสี่คาถาเป็นหนึ่งธรรมขันธ์สี่บาทก็หมายถึงว่าอ่เสวนาจะพล า, านังอ่เสวนาจะพล า, านังปันทิ ตานันจะเสวานานี่ตูชาจะกูชนียานังเอตมังธรมุตตังนี่สี่คาถาจึงเรียกว่าหนึ่งธรรมขันรวมตัวอักษรทั้งหมดแล้วนับจำนวนได้เก้าล้านตัว นี่เป็นระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงแสดง 4, 15, สี่สิบห้าพันษาซึ่งมีพระอานน์เป็นผู้จดจำเอาคำสั่งสอนเหล่านี้เก็บเอาไว้ในเรียกว่าในใจเก็บไว้เมื่อพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศเต็มที่แล้วเสด็จดับขันปรินิพาน เมื่อพระองค์อายุแปดสิบนั้นนับตั้งแต่พอสอ น, นั้นตามลำดับมาได้มีการทำสังคยานากันแต่ละครั้งละครั้งเมื่อพระพุทธองค์สเสด็จดับขันปารินิพพานในสามเดือนได้มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยนจำนวนแปดจำนวนแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันนั้นให้เรียบร้อย โดยมีพระมาหากสปะเป็นหัวหน้าในสังฆทยนายครั้งที่สองต่อมานั้นเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาแล้วได้อีกหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยกับยี่สิบปีก็ได้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ทำสังฆทานากันเพื่อที่จะให้ทาวินัยนี้รุ่งเรืองต่อมา เมื่อพศสองร้อยสามสิบก็ได้มีการทำสังฆทานกันเป็นครั้งที่สามต่อมาพุทธศาสนาได้มาเจริญรุ่งเรืองที่ประเทศลังกาได้ทำสังฆทานครั้งที่สี่ที่ประเทศลังกาอีกครั้งหนึ่งและต่อมาสังฆทานครั้งที่ห้า ก็ได้ทำที่ประเทศลังกาอีกในเวลาที่สังคยานากันในครั้งที่ห้านั้นเป็นเวลาพอศห้าร้อยในคราวนั้นจึงได้จารึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียวกว่าพระไตปินกนี้ลงไปในคัมภีร์หรือเรียวกว่านังสือ ในระยะเวลาห้าร้อยปีผ่านไปนั้นในปตัตยปนกยังไม่มีการจารึกลงไปเป็ น, นตัวอักษรเมื่อจารึกเป็นตัวอักษรก็จะมีมาตอนที่สังฆทานาครั้งที่ห้าขณะที่พุทธศาสนาร่วมมาห้าร้อยปี เมื่อมาถึงปัจจุบันคือพศ2528พุทธศาสนาได้เป็นประโยชน์เป็นอันมากแก่ชาวโลกจนมาถึงพวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายที่ได้พากันกระทำอยู่นี้ก็เหตุคือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามา ประเทศไทยรับพระพุทธศาสนาจากท่านพระโสนและท่านพระอุตระที่เป็นพระอระหันต์ในสมัยนั้นในเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นจักรพรรดิในประเทศอินเดียมีกฤษยาพินิหารมากรวบรวมพระเถระทั้งหลายช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาออกนอกประเทศอินเดีย ท่านพระโสดและท่านพระอุตระได้รับบัญชาจากท่านพระโมคคันลีบุตรโดยมีพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นองค์อุปธรรมได้รับบัญชาให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิหมายถึงประเทศไทยเมื่อมาถึงกาลเช่นนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราช ก็ได้ให้ความอุปถัมภ์จนกระทั่งสำเร็จเดินทางมาได้ท่านพระราหันทั้งสององค์นั้นท่านมีความสามารถอย่างยิ่งที่ได้เผยแพรธรรมะเข้าสู่พระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกโดยมีเหตุที่เล่าว่าในคราวนั้นมีผีเสื้อน้ำ ได้ขึ้นมาจากทะเลมากินพระราชวง์คือหมายความว่ากินพวกเด็กๆตายไปเป็นจำนวนมากพระเจ้าแผ่นดินได้ไปเที่ยวแสวงหาผู้ที่มีฤทธิ์ทาศักดานุภาพเพื่อจะปราบผีเสื้อน้ำก็ไม่สามารถที่จะปราบได้พระโสนาและพระอุตรระทั้งสององค์จึงอาสาปราบผีเสื้อน้ำได้สาเร็จ พระเจ้าเป็นดินเกิดความเลื่อมใสจึงได้นำพระพุทธศาสนามาและพุทธศาสนาก็ได้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในครั้งนั้นเป็นพศสองร้สิบพระพุทธศาสนาได้มาถึงประเทศไทยแล้วนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก เป็นเวลาสองพันสามร้อยปีกว่าเราท่านทั้งหลายการสืบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่ดองยิ่งนักไม่มีประเทศใดในโลกที่จะมีความผุดผ่องเช่นกับประเทศไทยรากเหตุสติและปัญญาของท่านพระโสนและท่านพระอุตระ ท่านได้วางรากฐานไว้อย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนพระราวะและไม่ว่าจะเป็นส่วนพระสงฆ์ท่านได้วางรากทุกๆอย่างไว้ในมัชฌิมาปฏิปฏาทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางเนี่ยกว่าไม่หย่อนจนกระทั่งต้องพระต้องไปกินฝิ่นยาเสพดิ่มกินเหล้า ไม่ตึงจนกระทั่งว่าพระไม่ต้องไปสูบุหรี่เป็นต้นหรือไม่ตึงไม่อย่างข้าราอย่างข้าราว่าถิจจะมาบวชก็ไม่ตึงจนกระทั่งว่าบวชสึดไม่ได้แล้วก็ไม่หย่อนจนกระทั่งพระทั้งหลายเหล่านี้พากันประพฤติผิดธรรมวินยัยย่อมสามารถที่จะดาเนิน จิเจอกรมาต่างๆด้วยความบริสุทธ์โปร่งใสบางประเทศนั่นพอบวชแล้วก็บวชเลยสึกออกไปก็สึกไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ทำผิดวินัยย่ำแย่ลงไปเพราะว่าไม่ใช่บวชทนเพราะทนบวชอย่างนี้อย่างประเทศไทยนี่เมื่อต้องการสึกเมื่อไรก็ได้เมื่ออยู่ไม่ไหว เมื่อไม่ต้องการศึกก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นจะเรียกว่าเดินสายกลางพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็สามารถที่จะแนะนำอาชีพต่ตางๆให้แก่ฆราวาสได้และสามารถที่จะแนะนำธรรมะต่างๆเพื่อที่จะให้ฆราวาสได้รับธรรมะได้พระสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่อยู่ดีอยู่ชอบ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุพระอา ร, า ห, อาราหันตอรหันต์ก็มากมายตามลำดับมาระยะเวลาหลายพันปีมานี้และจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกันกบเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วเคยทำอย่างไรในขณะนี้เราก็ทำอย่างนั้น จึงได้ชื่อว่าการสืบอต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบต่อมาอย่างสวยงามที่สุดในปัจจุบันมีจำพวกบางพวกได้พากันปฏิบัติแหวบแนวต้องการอยากจะให้แร่งเกินไปบางพวกบางพวกก็ย่อนจนเกินไปย่อนจนเกินจนกระทั่งนอนร่วม ก, กันกับสีกาได้ หรือว่าบวชแล้วก็จับต้องกันกันกบศีการได้กปย่อนไปบางพวกตึงเกินไปจนกะทั่งทำเป็นแม่กินจงกินเจไปสารพัดซึ่งก็เรีย ก, กว่าตึงเกินไปเพราะฉะนั้นการสืบต่อพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้เคยปฏิบัติอย่างไรในเมื่อสองพันปี เราก็ได้พากันปฏิบัติอย่างนั้นมาจนกระทั่งในปัจจุบันการปฏิบัตินั้นสำคัญอยู่ที่ใจเมื่อเราปฏิบัติใจบรรลุแล้วแส่สิ่งอื่นๆนั้นก็เป็นเครื่องที่พอประทังชีวิตอยู่ได้เมื่อการปฏิการปฏิบัติในทางจิตนั้นไม่จำเป็นต้องตึงจนกระทั่งแส่เกินไป และไม่เมื่อยอนเกินไปปฏิบัติจิตมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วก็ยังปฏิบัติย่อหย่อนทมวินัยก็เลยทำให้เกิดมีความไม่ไม่สงบในทางใจหรือบางทีทำตึงเกินไปกระดุกกระดิกไม่ได้ก็เรียกว่าตึงเกินไป มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้สาเร็จได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้พากันสืบต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานสองพันปีมานี้ต้องเป็นธรรมะที่เรียกว่าเดินสายกลางแล้วก็เดินความพอดีตลอดมาถ้ามิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้รับคำสอนปานนี้ ก็หมดไปแล้วเหมือนกันกับประเทศหลายประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองอยู่เช่นประเทศาปากีสถานหรืออัฟกานิสถานหรือในตะวันออกกลางก็พวกอียิปต์อิรนันแต่ก่อนเป็นพุทธศาสนาทั้งสิน้นแต่ว่าทำตึงเตินไปไม่สามารถจะอยู่ได้เรียกว่าล้มนลายหมด แต่ในประเทศไทยของเรานั้นยังมีความดีอยู่มากเราจงพากันช่วยกันรักษาความดีนี้ไว้คือสมาธิกรรมฐานภาวนาเราก็ทำกันปดีไม่ใช่ตึงเกินไปสามารถที่จะบรรลุปฐมฌานได้สามารถที่จะบรรลุทุติยฌานตติยฌานเจตุทยฌานก็ได้ สามารถที่จะบําเพ็ญถึงอรูปฌานก็ยังได้สามารถที่จะพิจารณาวิปัสนาอริยสัจสี่ก็ยังได้ยังมีข้อความอธิบายที่จะให้เราปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเช่นวิปัสนาแสดงถึงอนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทกอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่พระองค์ทรงแสดงว่า สัพเพสังขาราอนิจจติสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงสัพเพสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมานาตาติทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอย่าดาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นในจิตแล้วอัตถานิพินติลุกเถตอนนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดนิพพิทายาณคือความเบื่อหน่าย เอสามัคควิสุทธิญานี่แหละคือเรียกว่ามักเรียกหรือเรียกว่าหนทางบริสุทธิ์อย่างนี้ถ้าหากว่าพุทธศาสนาเสื่อมเป็นแล้วเราจะไม่ได้ยินคำนี้หรือเราจะไม่ได้ยินคำที่ว่าปฐมมชานุติยาชานตติยาานหรือว่าสมะภกรรมฐานมิปัสจนากรรมฐานเราจะไม่ได้ยินคำเหล่านี้ แล้วไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ไม่มีใครจะปฏิบัติในที่สุดเราก็สูญเสียอย่างมหาศาลในการเกิดมาเป็นมนุษยชาติหนึ่งแต่ในขณะนี้เราไม่ได้สูญเสียเช่นนั้นเราได้พากันพบอรศน ธ, ธรรมทุกคนไม่ว่าท่านจะปฏิบัติกันแค่ไหน เราเพียงแต่ว่าจับพุโทโธได้เท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้วบางคนคิดว่าแหมนั่งแทบลมแทตายสมาธิไม่เกิดที่จริงเกิดแล้วตั้งแต่เราว่าพุโทโธนั่นแหละเหมือนกันกับคนขับรถเมื่อเอามือจับพวงมาลัยเมื่อนั้นเขาก็เป็นสมาธิทันทีขับไปเรื่อยไปสมาธิก็เกิดขึ้นเรียกว่าโลกยะสมาธิ เมื่อขับรถตรงทางไปตลอดก็เรียกว่ามีสมาธิขาดสมาธิเมื่อไรไม่รู้ผลทางไม่รู้อะไรก็ชนแหลกอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันกับเราจับพุโทโธทันทีก็เรียกว่าเป็นสมาธิทันทีใครจะมาพูดว่าไม่เป็นสมาธิย่อมไม่ได้สมาธิเหล่านี้เมื่อรวบรวมตัวของเราแล้วมันก็กลับกลายเป็นพลังจิต ที่จริงแล้วนั่นการทำสมาธิเราจุดประสงค์ของเราก็คือพลังจิตเมื่อเราได้พลังจิตก็เท่าก็ว่าได้กุศลได้บุญได้บ า, บารมีได้วาสนาหรือเรียกว่าเต็มพร้อมเมื่อพลังจิตเหล่านี้เติบโตขึ้นตามลำดับคือพลังจิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิจะไม่มีการสูญเสีย แม้ท่านจะต้องตายจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึง่งสมาธิเหล่านี้ก็ไม่มีการสูญเสียยังเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปอีกเรียกว่าติดต่อติดตามเราไปตลอดเรีอกพลังจิตนี้จนกระทั่งถึงแก่ความแก่กล้าขึ้นมาบำเพ็ญวิปัสสนาดังกล่าวแล้วเราก็สามารถบรรลุธรรมได้ในเมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียร พุทธศาสนาในประเทศไทยยังพร้อมที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกเมื่อ้าเรามีสติมีปัญญามีความสามารถที่จะกอบโกยเอาหรือมีความตั้งใจที่จะกระทำยกเว้นแต่ว่ า, าพวกเราท่านทั้งหลายหากันละเลยทอดทิ้งแล้วก็ไม่คิดที่จะทำ อากันหลีกลี่หนีไปจนไกลสุดปูในที่สุดปูไม่กลับแล้วพวกนั้นก็เป็นอันว่าไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากพระพุทธศาสนาทั้งทังที่เกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาอันเดียวนี้อเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าสูญเสียอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ว่าคนเราที่ได้ พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันมีศรัทธามั่นคงและปฏิบัติตามท่านทั้งหลายไม่ต้องอนาถลอนใจและไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกังวลใจในการที่ท่านจะต้องถึงจุดไหยปลายทางเรียกว่าพระนิพพานจะต้องไปแน่ในเมื่อเราขึ้นต้น อ, อย่างนี้แล้วชั่วแต่ว่าจะช้าเร็วเท่าไหร่เท่านั้น โอกาสที่เราจะต้องไปทพบทพรรนิพนธ์โอกาสที่ถึงแก่การบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางย่อมมีแก่พวกเราโดยไม่ต้องสงสัยชาเร็วชาตินี้ชาติหน้าอะไรก็ตามถึงอย่างไรก็ตามเราในเมื่อมีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทอพมาเดนะสัมปันเดธะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าไปคิด หลัดกันวันประกันพรุ่งให้ตั้งใจจิตใจตั้งมั่นรวบรวมศรัทธาทำพลังให้เกิดขึ้นอย่างเหนียวแน่นในจิตใจของเรามีชีวิตอยู่ทำไปจนสุชีวิตเพราะว่าชีวิตต่างคนก็ต้องต่างแตกดับด้วกันทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะต้องแตกดับผู้แสดงอยู่ก็เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายเหมือนกัน ต่างคนต่างก็จะลงไปสู่จุดดับด้วยกันเท่านั้นเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ใครก็จะรู้เองและในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่าประมาทเด็ดขาดจงพากันรวบรวมแห่กำลังจิตกำลังใจของเราดำเนินต่อไปในที่สุดก็จะต้องบรรลุผลได้สมควรตั้งใจทุกประการ